พระธรรมเทศนาแผ่นที่111ดลำดับที่สโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุรุธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่24เมษายน2560มีชื่อเรื่องว่ากรรมสุดท้ายของพระติศอ้าวต่อไปมีอะไรหลวงพ่อจะได้ ปาลบที่พวกเราท่านทั้งหลายได้มาสู่วัดวาศาสานามีท่านเจ้ากรมบุญสืบประสิทธิ์เป็นประธาน เ, าเคยมาหลายๆครั้งแต่คราวนี้ก่อนเนี่ยพวกเราด้วยท่านเจ้ากรมท่านก็คงจะคิดว่าอีกเมื่อกี่วันข้างหน้าวันนี้ก็เป็นวันที่24 เมษายนพุทธศักราช2560แล้วก็วันที่ 27-26 ตอนเย็นก็มีการเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็ฟังธรรมเทศนาแล้วก็วันที่27เชา้าก็มีการตักบาตร ท, ทาบุญเป็นวันเกิดของหลวงพ่อนะท่านมีภาระธุระคงจะมาไม่ได้ในะช่วงนั้นท่านก็เลยมาก่อน อากลุกมาคณะมาที่วัดของหลวงพ่อในวันนี้แล้วก็ตามนี่จริงวันเกิดของหลวงพ่อเองหลวงพ่อก็เคยพูดเคยกล่าวกับคณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานที่เกี่ยวข้องที่รู้จักมักคุณศรัทธาญาติโยมที่ไปมาหาสู่หลวงพอ่อของบุหลวงพ่อไม่ได้จัดงานวันเกิดนะัลูกหลานแต่ว่า เป็นวันเกิดของหลวงพ่อแล้วก็ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายก็ได้หลั่งไหลามาแต่หลวงพ่อก็ต้องตอนรับขับสู้แต่จะให้มีดีกานิมนพระสงฆ์เรีอว่ามีจุดหมายมีใบเชิเชญคณะศรัทธาญาติโยมนั้นก็ยังไม่เคยมีเพราะถือว่าหลวงพ่อเองเป็นพระ สาธารณเป็นพระของพี่น้องลูกหลานทุกคนทุกหมู่ทุกเหลา่าถ้าว่าผู้ใดรู้จักมรุ้นวิสาสะจะเข้ามาจะเป็นครูบาอาจารย์ก็ตามจะเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าก็ตามขอเชิญเข้ามาได้แต่ไม่มีการไม่มีเอกสารถ้าว่าก็มีข้อแม้อย่ว่า้ามาดนะีถ้ามาไม่ดี ก็มีเหมือนกันมาสแสวงหาโลกามิตมามามีเรื่องราวมานั้นอย่ามาเพราะเจ้าหลวงพ่อเองไม่ปราถนาไม่อยากจะเห็นสิ่งที่มันไม่ดีอยากจะเห็นสิ่งที่ดีผู้ที่เข้ามาก็มีสัมมาคารวะมีใจโอบอ้อมอารีมีน้ําใจ พู้ที่เข้ามามาเท่าไหร่มาเลยอันนี้เราเกิดคือหลวงพ่อได้พูดได้พูดได้กล่าวให้กับพวกเราที่คณะสัทธาญาติโยมแต่ผู้ใดไม่ได้มาแต่รู้จักมักคุ้นหลวงพ่อไปมาหาสู่แต่มีภาระธุระมาไม่ได้แต่อยากจะมาอยู่แต่เอาเถอะ ถ้าอยากปฏิบัติบูบชาก็วันที่26 27เป็นวันเกิดของหลวงพ่อเรานะข้าพเจ้าจะรักษาศีลห้าตื่นเช้ามาแต่เช้ามืดวันที่27เข้าไปหอกกราบพระประธานกราบห้องพระตนเองนะข้าพเจ้าจะรักษาศีลหวันนี้ตลอด24ชั่วโมง ข้าพเจ้าจะไม่ฆ่าสัตว์ข้าพเจ้าจะไม่ขโมยทรัพย์ข้าพเจ้าจะไม่ประพฤติผิดในกรรมข้าพเจ้าจะไม่กล่าวมุสาข้าพเจ้าไม่ดื่มสุราถึงเราจะไม่ทำอยู่แล้วแต่วันนั้นเราถือเป็นกรณีพิเศษเข้าไปกราบพระแล้วก็ตั้งจิตอธิฐานสมาทานสิลทั้งห้าข้อเพื่อเป็น แสดงถึงความโมทิตาสั ก, กระหรือว่าเป็นปฏิบัติปูชาเพียงแค่นี้ลหลวงพ่ออินหลวงพ่ อ, พอปลื้มใจกับคณะจัดทาญาโยมเผอเผยอาจจะปลื้มใจกับผู้มาและทำโคโลกกโกโศอีกต่างหากเพราะนั้นผู้ที่ไม่มาก็ไม่เป็นไรให้ประกอบคุณงามความดีถึงจะอยู่ห่างไกลถึงขนาดนั้นไหนก็เหมือนกับ อยู่ใกล้กันเพราะมีจิตใจมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีถึงจะอยู่ไกลก็อยู่เหมือนอยู่ใกล้่าวาผู้ที่ตรงตรงข้ามนิสัยไม่มีจริยธรรมที่ดีถึงจะอยู่ใกล้ก็เหมือนกับอยู่ไกลเหมือนอยู่คนรับฝากฝังอของคุณงามความดี เพื่อนให้พวกเราทุกท่านนะสรุปแล้วถึงจะอยู่ใกล้อยู่ไกลหลวงพ่อนะให้ประกอบคุณงามความดีให้สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจนั่นแะบุญกุศลนั่นแหละคุณงามความดีนั่นแหละที่พวกเราท่านทั้งหลายจะเป็นเป็นที่พึ่งของพวกเราได้ตลอดไปหรืออนันตการแต่ความชั่วนั่นน่ะ มินแต่เป็นเครื่องเป็นเครื่องที่เจาะใ่ทำให้จิตใจของเราคุ้ยแขว่และทำให้จิตใจของเราได้รับความทุกข์ยากลำบากจากเรื่องต่างๆขนเรื่องมันฝ่ยทางต่ำเป็นฝ่ยทางกิเลสปัญหาขอยให้พวกเราฝ่ในธรรมะคือครทำคำสอนของพุทธะนะแต่ละในช่วงหลังๆ หลวงพ่อเองไปนักสถานที่ใดในชุมชนหลวงพ่อบอกว่าในชุมชนของเราเรื่องทานก็ดีการเสียสละของพวกเราเรื่องรักษาศีลของพวกเราก็ดีก็รักษาศีลรู้สึกจะลําบากกว่าการให้ทานแต่เรื่องภาวนาในรู้สึกว่าครูบาอาจารย์ก็ไม่ค่อย บอกกล่าวกันแต่พวกเราท่านทั้งหลายพอได้ยินว่าเรื่องภาวนาเท่านั้นนะเป็นเรื่องที่สุดเอื้อมคล้ายๆว่าเป็นเรื่องที่สุดวิสัยของพวกเราที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาแต่ตามไม่จริงไม่ใชนะ่ในหลักของพุทธศาสนาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา้าหรอเรื่องภาวนาเป็นหัวใจหลักของพุทธศาสนาถ้ามาพวกเรามีแต่ให้ทาน รักษาศินเพียงแค่นี้ยังไม่พอถ้าว่ามีอะไรเกิดขึ้นมาสู่จิตใจของเราทําให้จิตใจของเราหวั่นไหวควายแขว่งคว้เขวะออกนอกรูนอ ก, ก, นอกทางได้ง่ายเพราะอะไรใจไม่มีหลัก ใ, ใจไม่มีหลักยึดถ้าว่าผู้ใดก็าตามถ้าว่าได้ภาวนาทําจิตใจให้สงบจิตใจให้เป็นหนึ่งจิตใจเน่ง จิตใจเป็นอปปนาสมาธิเมื่อใจิตใจของเราเนื่งสงบเราจะมองเห็นสิ่งควรไม่ควรสิ่งถูกต้องไม่ถูกต้อง เ, ออเราจะรู้ได้ว่า เ, เราเป็นอยู่อย่างไรเกิดมาอย่างไรเป็นอยู่อย่างไรจะตายไปอย่างไรหรือหมดชีวิตอย่างไรเราจะมองเห็นได้ตลอดแต่ถ้าว่าพวกเรามีแต่เรื่องทานเรื่องศีล เรื่องธรรมดาถ้าว่ามีใคร เ, เป่าหูเข้ามาในเมื่อเราได้รับความทุกข์ยากลําบากเข็นใจ เ, เราจะต้องเสียสะละเคาะอย่างนั้นนะมีเคาะมีเข็นอย่างนี้นะจะต้องทำอย่างนุ้นแก่อย่างนี้นะแก้กรรมอย่างนั้นอย่างนี้นะพวกเราได้ยินพวกเรากดหวั่นไหวเควยแคว่ววงไปตามที่เขาแนะนําสั่งสอนบอกกล่าว แต่ถ้าว่าเราได้ภาวนาทำจิตใจให้สงบเน่งแล้วนะเราจะรู้ได้โดยทนเองเอคนเกิดมาแล้วก็แก่เจ็บตายเออแต่เราก็ไม่ว่ากันเอายังไงก็ได้แต่ตามไม่จริงนะเรารู้แก่ใจ เ, ออเกิดมาแล้วกันนะโรภคภัยไข้เจ็บใครก็แบกของใครของเรามากรรมของใครของเราเราเคยทำกรรมอันไหนไว้ในอดีตไม่มีใครรู้ แต่อาจจะเป็นในกรรมปัจจุบันก็ได้เราต้องแก้ไขตัวให้ดีที่สุดแต่ถึงยังไงใจของเราประกอบคุณงามความดีเราจะไม่ล้าถอยเราจะไม่เสื่อมเราจะไม่คิดว่าเราจะอยู่ในโลกในชั่วฟ้าดินสลายไม่มีวันตายเราจะไม่คิดอย่างนั้นแน่นอนแต่ เราจะอยู่นานสักเท่าไรอันนี้สุดแท้แต่กรรมสุดแท้แต่บุญกุศลที่พวกเราจะจะอ ย, อยู่อยู่ยังไงแต่ถึงยังไงก็เถอะข้าพเจ้าจะทำดีที่สุดในขณะที่ยาข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่การรักษาสุขภาพกายเราก็รักษาแต่การพร้อมกันเราก็ควรจะรักษาสุขภาพจิตด้วย แต่ภายนอกเราก็ไม่ได้ปล่อยปะละเลยการดํารงชีพหาเลี้ยงชีพเราก็ทําทําให้ดีที่สุดแล้วก็พร้อมกันการสแสวงหาทางธรรมเข้าสู่จิตใจข้าพเจ้าก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดเหมือนกันสรุปแล้วก็คือทางการเป็นอยู่ทางอาหารกายทางอาหารใจ เราจะไม่เราจะต้องแบ่งแยกกันดูให้ดีออกดูให้ดีนี่แหละอันนี้ถ้าว่าพวกเราท่านทั้งหลายฝึกฝนทางด้านจิตใจเรื่องจิตภาวนาเนี่ยมันจิตใจมันจะหนักแน่นนะไม่จะไม่มันจะไม่ห ว, วั่นไหวไกวแว่งถ้าว่าพวกเราไม่ได้ภาวนาไม่ได้เคยภาวนาทําจิตใจให้สงบแล้วแล้วนะถ้ามีอะไรเกิดขึ้น ทางโลกเกิดขึ้นขึ้นมาเราจะจะศกสถานวันไหว้แคว่งเขาแนะนำยังไงก็ไปทําตามเขาที่เขาแนะนำบอกกล่าวเสียข้ออย่างนั้นกระโดดน้าอย่างนี้น <c ười> นน ม, นมีอะไรต่อมีอะไรจังมีจังเยอะแยะทุกวันเลยแต่ถ้าเขาแนะนำไปในทางที่ดีก็ดีไปก็ดีคุณควรจะรักษาศีล น, นะควรจะรักษาศีลโุโบสดนะ ควรจะบวชนะเนี่ยแต่ยังเป็นยังดีอยู่แต่ถ้าว่าเขาแนะนำไปทางอื่นควรจะฆ่าสัตว์ควรจะทำอะไรอย่างนี้มีหลายๆลายอย่างที่เขาแนะนำแต่เราก็ทำตามเขาแต่ตามไม่จริงมันไม่ถูกเพราะเรากลัวตายเรากลัวเรื่องราวนั้นเกิดขึ้นนั่นแหละสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านีนะ้ถ้าเราจิตใจไม่มีหลักถ้าจะเป็นลักษณะอย่างนั้น วนนั้นเราต้องหาหลักเข้าให้หาหลักเข้าให้อิตใจของพวกเราให้ยึดพัตรไรสาระคมเป็นพื้นฐานเบื้องแรกยึดพุทธทงังธรรมังสังขังสรนังคัจฉามิยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระเป็นที่พึ่งจากนั้นก็ประกอบคุณงามความดียึดแนวแถวพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านประปุติปฏิบัติมาอย่างไร เราก็มองดูแนวแถวที่ท่านพาดำเนินมาจากนั้นก็ท่านก็ได้นำสั่งสอนบอกกล่าวให้พวกเรานั่งภาวนาเนอะเนี่ยแต่เราก็ต้องมองดูว่ า, าครูบาอาจารย์ก็ดีที่ท่านผู้มีชื่อเสียงโด่งดังยกตัวอย่างอย่างอางค์หลวงตามหาบัวของพวกเราเออเกิดกับพร้อมหมดทุกอย่างแต่ผลที่สุด ท่านก็ไม่มีเออไม่ได้เวทไม่ได้หลอดพ้นจากมรณาภัยกูบาอาจารย์องค์หนึ่งก็เหมือนกันอย่างหลวงปูมงปงป่มั่นหลวงปู่สาหลวงปู่มั่นหลวงปู่เทพหลวงปู่ฟันเ อ, อ่อกูบาอาจารย์หลวงพ่อทูลของเร า, านี้เป็นตน้นนะตรงตามหาบัวอย่างนี้แล้วเราจะเป็นใคร เราจะไม่ไปอย่างที่ท่านทั้งหลายพาพาไปอย่างนั้นใช่ไหมก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอีกเราก็ต้องเดินตามแต่ว่าการเดินตามในคราวนี้ครั้งนี้เน่ยเราเดินตามเรามีมีทุนและทรัพย์หรื อ, อยังเรามีทุนในกระเป๋าหรื อ, อยังเราอุ่นใจหรื อ, อยังในคุณงามความดีของเราเราพร้อมหรื อ, อยังที่จะไปถึงจุด อย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านพาดำเนินมานั้นถึงจะไม่ถึงล่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีแต่เราก็ยังพอมีอุ่นใจมีทานมีศีลมีภาวนาอยู่ในจิตในใจของเราแล้วเราก็พร้อมที่จะสบายใจและมีความสุขใจแต่ทั้งว่าเราไม่ได้ใส่ใจในในสิ่งเหล่านี้มีแต่เคงวงคว้างมีแต่หาแสวงหาทางโลก มีแตหาทางโลกคิดว่ามันจะมีความสุขอยู่ในโลกตลอดอนันตการหรือตลอดไปอ น, นันคิดผิดนะกาพูดตามทำคําสอนแล้วผิดผิดเพราะว่าเราไม่ได้แสวงหาทางที่จะมีความสุขต่อไปภายภาคหน้าใครเขาว่าคนเราถ้าคิดว่าวันพุ่งนี้ไม่มีเราหาทรัย์ ได้มาวันนี้ถ้าเราเก็บไว้เราก็งโง่เพื่อะไรเพราะว่าวันพรุ่งนี้มันไม่มีแต่ถ้าว่าวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้มีถ้าเราไม่เก็บไม่สะสวงหาทรัพย์ไม่เก็ บ, กบรวบรวมทรัพย์เอาไว้วันพรุ่งนี้มีพราะถึงวันพรุ่งนี้เราจะกินอะไรเราจะใช้ยังไงเพราะเรากินใช้หมดแต่เมื่อวานนี้แล้วนี่แหละ อนาคตของพวกเราก็ลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันถ้าว่าพวกเราไม่สะอแสวงหาคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจมีแต่หากินเป็นวันๆเดือนๆปีๆไปแล้วกระจกจบเราไม่ได้คิดว่าชาติหน้ามีแต่เมื่อมันมีล่ะเป็นยังไงถ้ามันมีชาติหน้าตายแล้วไม่สูญ พวกเราจะทำยังไงเพราะไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้สิ่งเหล่านี้พวกเราเป็นพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้ดูแบบสั้นๆท่านดูให้ยาวเพราะทาคำสอนของพุทธะเนี่ยท่านพูดไว้เลยว่าปุเพนิวาสานุจติยานและลึกชาดผลหลังได้จุตูปปาตยาน การเกิดการตายของสรรพสัตว์ทั้งหลายมีอยู่ในโลกตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอกีกจุดนี้แหละพวกเราจะต้องฝังแล ะ, ะศึกษาแล้ววิธีการนะวิธีการก็ให้นั่งภาวนาอย่างที่ว่าเรานั่งขัดสมาธิในที่สงบมุมสงบอย่างวันนี้่ะพวกเรามานั่งอย่างนี้รดูอย่างนีน้เรานั่งขัดสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออก หรือว่าหายใจเข้า พ, พุทโธพุทโธพุทโธหรือจะทำอย่างที่หลวงพ่อเคยแนะนำบอกว่าหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองสามสีห้าหก เ, าเวลาหายใจเข้าจนถึงร้อยแล้วก็ไม่เผลอกลับมานับหนึ่งใหม่ถ้ามันเผลออย่าไปนับต่อให้กลับมานับหนึ่งใหม่อีกมันเผลอจังมันเผลอยังไง คือเวลาหายใจเข้าเป็นเลขขี้หายจะออกเป็นเลขคู่ขี้คู่ขี้คู่เออบางบางทีนับไปถึง10อีกต่างหากไม่ถึง20่เปต่างหากมันเพลอแล้วพอมันเผลือกลับมานับหนึ่งใหม่ตั้งท่าใหม่อีกอหลายครั้งต่อหลายหนผลในสุดจิตของเราก็เข้มแข็งนับได้จนถึงร้อไดอ้จากนั้นเออจิตของเราดีต่อไมต่อไมนับอีก หลายครั้งนับถึงร้อยสองสาี่ห้าหครั้งถึงส0ครั้งยังค่อยวางท้อยภาวนาพุโทโธพุโทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโทต่อในละวิธีการฝึกสตินะอันนี้เมื่อเราฝึกสติดีแล้วนะจิตใจของเราเป็นสมาธิดีเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าจิตใจกายกับใจใจกับกายนะร่างกายของเรานะเหมือนกับรถ จิตใจของเราเหมือนกับโซ่เฟอร์รถอยู่ในตัวของเราในตัวของเรามีอยู่สองนะในหลักของพุทธศาสนาคือรูปธรรมรูปธรรมคือร่างกายนามธรรมที่มองไม่เห็นคือจิตใจจิตใจกับกายอาศัยกันอยู่หลวงพ่อเลยมาเปรียบเทียบให้พวกเราได้รู้ได้เห็นได้ชัดเจนว่าร่างกายเหมือนกับรถนะลูกหลานศรัทธาญาติโยมนะแต่จิตใจเหมือนกับคนขับรถ รถกับคนขับรถไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันรถจะไปได้ต้องอาศัยคนขับแต่ในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าให้ความสำคัญเรื่องโซโฟเฟอร์รถมากกว่ารถท่านจึงเป็นพุทธภาตีกว่ามะโนปุพังขมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสาเร็จแล้วด้วยใจนี่แหละในเมื่อเรานั่งสมาธิ เราจะรู้ได้ว่ากายกับใจใจกับกายร่างกายเนี่ยแตกตายสลายสู่ดินน้ำลมไฟเหมือนกับรถเนี่ยนะใช้ไปนานมันก็ต้องผุพังละหลวมก็เสียหายหมดสภาพนะแต่ท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าพระหัตถสาวกพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าแต่จิตใจคือตัวน้ำธรรมนะตัวนี้ไม่ตายนะเพราะออกจากร่างที้แล้วนะพอออกจากร่างนี้แล้วนะ ไม่ใช่ออกไปเฉยๆนะพอออกไปแล้วนะถ้าเราทํากรรมดีคือล่างสร้างบุญสร้างกุศลบุญกุศลนะั่นแหะจะเป็นเพื่อนสองจะเป็นเครื่องพานําดวงวิญญาณนะั้นไปสู่สุขติสุขติภูมิจะไปเกิดเป็นมนุษย์จะไปเกิดเป็นเทวดาภูมิรุก ข, ขเทวดาสวรรค์ชั้นไหนไปได้เพราะอะไรเพราะว่า บุญกุศลกรรมกรรมดีพาไปแต่ถ้าวา่าเราไม่ได้คิดถึงกรรมดีเราคิดแต่ทำแต่กรรมชั่วอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นแต่ละวีตละวันทำแต่กรรมชั่วกรรมชั่วนี่จะเป็นเพื่อนสองของดวงวิญญาณ น, นั่นเองในเมื่อเมื่อถึงข่าวมรณะถึงข่าวตายร่างกายถูกเผาไฟทิ้งแต่วิญญาณก็ออกจากร่างออไปนั่นแหละบาปอากุศลน่จะเป็นเพื่อนสอง พาเราพร่าวเท้เราทํากรรมชั่วก็ไปตกนรกก่อนโยนลงนรกก่อนออกจะนา่าจะมาเกิดเป็นสัตว์ที่ฉันอย่างพวกเราท่านทั้งหลายที่เหเ็ดช้างม้าวัวควายหมูหมาเป็ดไกล่ลีงข้างบางชนิดเป็นได้ทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะกรรมชั่วพาไปกรรมชั่วเป็นเพื่อนสอกเพราะฉะนั้นพวกเราได้เกิดมาในพร ะ, พ, ร ะ, พ, ระพุทธศาสนา ได้พบพระธรรมคำสอนของพุทธะให้ศึกษาในจุดนี้ตายแล้วเกิดได้ตายแล้วสูญให้นั่งภาวนาทันเมื่อนั่งภาวนาจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองไม่ต้องถามใครจากนั้นเราก็จะดเดินไปในทางที่ถูกต้องในสิ่งที่มันไม่ดีเราจะไม่จะไม่คิดไม่ทำไม่พูดในสิ่งที่มันไม่ดีเราจะคิดทาพูดในสิ่งที่ดี เพรา้หลักธรรมคาสอนของพุทธะท่านจึงได้กล่าวเป็นพุท ธ, ธภาสิตเนี่ยอกคตังตุกตังเสอยู่ประชาตะปติตุกตั ง, ตงคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วจะทําเสียเลยดีกว่าเพราะคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วลงไปแล้วกรรมชั่วที่การกระทําของเราเนะี่ะจะให้ผลตนเองนั่นนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลัง นี่ะพวกเรามองไม่เห็นกรรมบางทีเกิดม า, มาแล้วหูหนวกตาบอดบ้าใบาเสียจุดเจ็บไข้ได้ป่วยพือย่ออไรถ้าว่าเป็นในอดีตชาติมันต้องเป็นกรรมกรรมคือการกระทำอย่างพระเถระในครั้งพุทธกาลในท่านติดสาเถระเนะี่ยท่านก่อนเนีนะ่เป็นลูกชาวกรุงสาวัตถีพอท่านบวชเข้ามาแล้วเนะี่ยท่านก็เป็นพระธรรมดา อ่าก็เป็นปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดป่าเชตตะวันมหาวิหารแต่พอวันหนึ่งท่านเป็นเหมือนกับเป็นอะไรเป็นผดนะคุณตัวมเมล็ดตัวเม็ดเล็กๆเป็นผืนเป็นผืนในร่างกายพอเป็นพืนเสร็จแล้วนะมันก็ใหญ่ขึ้นที่แรกก็เล็กๆต่อมาก็เป็นใหญ่เท่ามเมล็ดงา ตัวมากกัใหญ่เข้าเมล็ดข้าวตัวมากับเม็ดเมล็ดข้าวโพดพอตัวมาเป็นเมล็ดพุทสศาเนะี่ยพอใหญ่ขึ้นมาเหมือนกับลูกมะตูมมะตานะ่ยแตกเท่านั้เองมันเป็นฝีลักษณะฝีแตกพอแตกเท่านั้นแหะโอ้ทั้งเหม็นทั้งคาวเลยตัวเนมันคนอนะ่ะตัวเนี้พระอุปธรรมประทากพร ะ, พระเล็กเนนน้อยไม่ไปใกล้เลยตัวเน เพราะมันเหม็นคลาวนะท่านก็อยู่ตามลำพังอยู่ใต้ถุนกุฏิวัดป่าเชตตะวันนี่พระพุทธเจ้าท่านก็ย้งทำไมท่านก่อผล พ, พระองค์นั่งภาวนาก่อนสว่างใกล้รุ่งพระองค์นั่งขัดสมาธิแล้วก็ดูดูตรวจดูสรรพสัตว์สัส ต, สสสสตวโลก ผองใครเข้า่าสายเลดา้าคือยายาธัศนะของพระพุทธเจ้าท่านจะได้ไปโปรดใครท่านก็มองดูไกลจากนั้นกท่านก็มองดูเข้ามาใกล้ๆในบริเวณท่านก็เห็นพระติดสะโอ้พระติดสป่วยไม่มีใครอุปถัมภ์แต่เขาจะได้สำเร็จเป็นพระหรหันในวันนี้แต่เขาจะ จะได้มรณะภาพในวันนี้ด้วยเราควรจะไปโปรดเขาจากนั้นพระ อ, องค์พอตื่นเช้ามาก็ไปบินทบารฉันพราะฉันเสร็จแล้วพอใช้สายนะ่ยพระ อ, องค์ก็บอก อ, อนนท์ตามหลังเานะางราพาอนนท์ก็เดินตามหลังพระพุทธเจ้าเหมือนกับไปตรวจวัดลักษณะอย่างนั้นตระเวนดูตามพุทิต่างๆเพราะเป็นวัดเชตวันเป็นวัดของพระพุทธเจ้า ท่านจะจุดมุ่งหมายของทึ่งคือใต้ถุนที่พระติดสะป่วยอยู่นั่นแหละแต่ท่านก็เดินไปก็ไปก็ท่านก็เห็นติดสะนอนะติดสะเธอเป็นอะไรโอ้ยข้าพระองค์ป่วยพระเจ้าข้าน่ยเป็นยังไงพระติดสะก็เล่าให้ฟังเอาไม่มีพระเนนอุปถัมประทากหรือไม่มีพระเจ้าข้าเพราะข้าพระองค์ ไม่มีอติเลกราบไม่มีอติเลกราบให้พระเนนก็เลยไม่มีพระเนมันดูแลพระเจ้าข่านีโอ้ไปอโ น, น์ไปต้มน้ำพระอโนนก่อนเนี่ยไปก็ถือปิ๊บถือหม้อไปก็ตั้งจุดไฟขึ้นมาก็ต้มน้ำพอตุมน้ำอุ่นขึ้นมาแล้วก็เอพระคงคงจะมาช่วยกันมาท่านก็เอาผ้าจีวอนของติดสาออกมาซัก มาซักไปพึ่งแดดรีบไปพึ่งแดดจากนั้นพระพุทธองค์พอน้าอุ่นขึ้นมาพระพุทธองค์ก็เป็นผู้เอากระบวยตักน้ำเทลาดพระอนตนเป็นคนอาบน้ำให้อาบน้ำให้ท่านติดสระเป็นผู้สงนำพระสงฆ์คงจะมาช่วยๆกันเสร็จแล้วพออาบน้ำเสร็จท่านก็เอาผ้านิ่มๆพันตัวติดสะ จากนั้นเอาผ้าจีวรหม่มถ้าให้ติตสะนอนท่านก็ได้รับความสบายเลยปะเนี่พเพราะร่างกายมันไม่ไ ม, ไม่ไม่มีหนองไม่มีอะไรรู้สึกว่าแห้งท่านก็พระพุทธองค์ก็ถามว่าติตสะเธอให้ความสําคัญชะไหนร่างกายนี้เป็นของเธอใช่ไหมถ้าเป็นของเธอเธอว่าอากแก่นะอย่าเจ็บนะอย่าตายนะเธอบอกได้ไหม ไม่ได้พระเจ้าข่าถ้าเธอบอกไม่ได้ว่าร่างกายนี้ไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายเธอบอกไม่ได้มันจะเป็นของเธอเป็นของเธอใช่ไหมไม่ใช่พระเจ้าข่านี่แหละอาติสส์ให้เธอดูนะร่างกายนี้มันไม่ใช่ของเราถ้าเป็นของเราเราก็ต้องบอกว่าจะเก็บจะแก่่าแก่จะเจ็บจะตายจะปวดจะไข้นะจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บนะ เราบอกได้ไหมไม่ได้พระเจ้าข่าเนี่ยแหละอะติษะเธอต้องดูน ะ, ะดูกายแล้วก็ดูใจ อ, อย่าไปลุ่มหลง ม, มัวเมากับว่าร่างกายเป็นตัวตนของเรานะอีกสักวันหนึ่งมันจะต้องแตกตายสลายสู่ดินน้ำลมไฟของมันเป็นตามสภาพของมันอย่าให้ความสำคัญจนเกินไปนะติษะนะเอา เ, เ, เดี๋ยวเราจะไปแล้วนะ จากนั้นพระพุทธองค์กับพระอนุนก็เดินกลับท่านก็บอกให้พระพกฒูดูแลจากนั้นพอไปถึงชลาท่านก็เรียกประชุมสงฆ์เลยวัดป่าเชตตะวันดูก่อนสงฆ์ทั้งหลายวันนี้เราไปดูพระติดสระอาการป่วยไม่มีพระองค์ไหนเข้าไปการทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะสงฆ์ทั้งหลายพวกเธอออกจะมาจากพ่อจากแม่จากวงาาศาคณาญาติ มาอยู่ด้วยกันพวกเธอทั้งหลายต้องดูแลกันมีอะไรต้องดูแลกันถ้าว่าอาจารย์ไม่ดูแลลูกศิษย์ในเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยปรับอวบัดทุกกฎถ้าอาจารย์เจ็บไข้ได้ป่วยลูกศิษย์แตกหนีไม่ดูแลอาจารย์ปรับอวบัดทุกกฎพวกเธอท่านทั้งหลายต้องพึ่งพาอาศัยกันเพราะพวกเธอทั้งหลา ย, าาา ย, ลายไม่มีพ่อมีแม่แล้ว ต้องอยู่ด้วยกันต้องรักเคารพ ก, กันถ้ามีอะไรเกิดขึ้นต้องช่วยดูแลปล่อยปะละเลยไม่ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปดูก่อนสงทั้งหลายถ้าผู้ใดอยากจะได้บุญกุศลปล น, นิบัติอันนี้สงที่ว่าผล น, นิบัติเราตถาคตปฏิบัติเราตถาคตผล น, นิบัติเราตถาคตให้ปฏิบัติภิกษุข ถ้าพวกเธอท่านทั้งหลายปฏิบัติภิกษุข่ผู้สรงศิลกับปฏิบัติปฏิบัติเราตถาคตบุญกุศลเท่าเทียมกันพระพุทธองค์ตรัสอย่างนั้นในวันนั้นนี่แหละจากนั้นท่านก็พูดว่าเป็นบาปกรรมอะไรของติดสะกพระองค์บอกว่าในอดีตชาติที่ผ่านมาเขาทาั้งทำกรรมดีและกรรมชั่วพร้อมกันกรรมดีของเขาเนี่ยคือเขาเป็นผานผานนก เป็นเป็นพรานนกหาล่านกมาขายเข้าสู่ตลาดนกมันเยอะเขาก็จับจับมาแล้วค่ะตัวไหนพอจะค่าก็ค่าแกงต้มอะไรเขาก็ทําเป็นอาหารเอาไปขายย่างไปขายจากนั้นนกบางตัวขายไม่ออกก็หักแข้งหักขาไว้ก่อนเพื่อเอาขายหวนรุ่งขึ้นผลที่สุด เขามีอายุยืนมากทั้งสองหมืปีในในสมัยนั้นเขาทํากรรมอยู่านี้ตลอดแต่กรรมดีของเขาในวันหนึ่งเขาไปเป็นพรานในป่าไปเห็นพระอรหรันท่านหนึ่งท่านอยู่ในถ้ำที่เขาไปหาดักนกนั่นแหละท่านฝนตกเจ็ดวันเจดคืนท่านก็ไม่มีร่มได้จะออกมาบิดทวาร ท, ท่านก็ยู้คอยให้หบวกฝนหยุดฝนก็ไม่หยุดแต่ พรานนกคนนี้โอ้ท่านคงจีหิวอาหารมากเราควรจะทําอาหารไปเลี้ยงท่านไปถวายท่านจากนั้นเขามากลับมาถึงบ้านก็รีบทําอาหารแล้วก็เตรียมอาหารเท่าที่มีอที่เขากินยังไงเขาพวกนั่นอาหารนกอาหารนี่แหละทําอาหารเขาไปถวายอถวายพระเทระท่านนั้นอพอเข้าไปท่านพระเทระท่านนั้นอ็โยมคนนี้คนละบอก สาธุเนอผู้คาร์ในถวายพัฒนาหาันตอพระคุณท่านคุณธรรมอะไรที่พระคุณท่านได้สําเร็จได้รู้ได้เห็นก็ข อ, ขอให้พระพเจ้าได้รู้ได้เห็นทำที่พระคุณเจ้าได้รู้ได้เห็นทุกประการด้วยเทอเนี่ยพระเทระท่านก็เป็นพระรหันเออเอาขอความปรารถนาของเจ้าจงสําเร็จสมความมุ่ง ม, มา่นปรารถนานอเนี่ยแหละอันในสงของเขา ในคราวนั้นครั้งนั้นเขามีทั้งบาปเขามีทั้งบุญแต่บาปก็คือนะบาปกรรมที่ตนเองได้ฆานกไม่รู้เท่าไหร่นี่แหละตัวมากับตัวเองก็เลยมาเป็นโรคภัยไข้เจ็บอย่างนั้นแต่อานิสงส์ที่ได้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมก็นี่หละอานิสงส์ที่ได้ทําบุญกับพระหันอยู่ในป่านี่แหละอันนี้ หลักทำคำสอนของพุท ธ, ธะสรุปแล้วก็ตึงต้องมีเหตุแล้วก็มีผลมีผลแล้วก็มีเหตุมันเหตุมันมาจากผลผลมันมาจากเหตุเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านให้ประกอบคุณงามความดีอย่างที่ว่ า, เ, เ, าเมื่อเราออกจากภพนี้ชาตินี้ไปแล้วบุญกุศลก็จะเป็นเพื่อนสองถ้าเราทำกรรมชั่วกรรมชั่วก็จะเป็นเพื่อนสองของเราอีก เพราะนั้นขอให้พวกเราประกอบคุณงามความดีกรรมชั่วจะทําเสลยดีกว่าอย่างที่ว่าเมื่อทําลงไปแล้วท่านติดสระท่านทำกรรมที่ไม่ดีทำคนหรือท่านก็เดือดร้อนเมื่อภายหลังนี่เราขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านเรื่องกิตภาวนาเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างมากให้ภาวนาพุทโธนั่เป็นหลักตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้พิจารณาภาวนาพทุทโธทําจิตใจให้สงบ เมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบเป็นพื้นฐานแล้วก็นำมาพิจารณาทางด้านปัญญาก็จะเกิดปัญญาที่แท้จริงแต่ว่าจิตใจของเราไม่ได้ผ่านความสงบเรานำมาพิจารณาเลยโดยมากจะเป็นสัญญากับสังขารจะมากกว่าเพราะนั้นท่านจะให้จิตใจสงบนิ่งซะก่อนเมื่อจิตใจเน่งซะก่อนเราจะมาพิจารณาเห็น ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเห็นอะไรอยางทุกขขังอนัตตาเกิดความเบื่อหน่ายในตัวของเราจากนั้นก็เมื่อพิจารณากายหรือพิจารณาใจเข้ามาถึงใจคือตัวผู้รู้เนี่ยในเมื่อพิจารณากายซะก่อนเห็นกายซะก่อนร่างกายสังขารนี่ขนาดร่างกายตัวเองแท้ยังไม่ใช่ตัวตนของเรานะเห็นไหอ ขนาดไม่ให้แก่แก่ไม่ให้เจ็บก็เจ็บไม่ให้ตายก็าตายใจจะไปหลงนะร่างกายนะอีกสักวันหนึ่งนะถึงจุดจบของมันนะขนาดร่างกายของตัวเองยังไม่ใช่ตัวตวนของเราพ่อแม่พี่น้องญาติโกโหติกาวงสาคนาญาติญาติมิตรสหายเงินคําทรัพสมบัติที่เราหามาได้ทั้งหลายทั้งปวงนั่นนะที่ว่าเป็นของเราของเรานะนะั่นน่ะเป็นของเราที่แท้จริงหรือเปล่า ขนาดร่างกายแท้ๆอย่างในตัวของเราแท้ๆอย่างไม่ใช่ตัวตนของเราสิ่งเหล่านั้นจะเป็นของเราได้อยู่เหลือใจแต่เราเป็นอยู่เราก็ต้องอาศัยสิ่งเหล่านั้นแต่เราจะไปยึดมั่นถือมั่นจนเกินไปก็ไม่ได้จะถูกนใจนี่แหละใจสอนใจในเมื่อใจสอนใจใจก็รู้แจ้งเห็นจริงใจก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายจิตใจก็หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสนี่แหละหลักธรรมคาสอนของพุทธศาสนา ขอให้พวกเราคณะสัตยาญาณโยมทุกๆท่านได้ศึกษานะศึกษาธรรมคำสอนในจุดนี้ถ้าจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบและจิตใจจะเป็นหลักนะมั่นคงแน่นหนามั่นคงไม่หวั่นไหวไกวแวงในเรื่องต่างๆถ้าอะไรมาก็ได้รับรู้รับทราบอันไหนผิดอันไหนถูกอันไหนควรไม่ควรจะรู้ได้ด้วยตนเองเพราะ จิตใจของเรามีหลักยึดเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมกรรมคือการกระทำถ้าเราทำกรรมดีแล้วจะชั่วได้อย่างไรถ้าเขาทำกรรมชั่วแล้วจะดีได้อย่างไรเพราะนั้นเชื่อในการกระทำเชื่อผลของกรรมนี่แหละขอให้พวกเราทุกๆท่านนะประกอบคุณงามความดีอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าว